บทที่สแรมแปดข้าเดือนห้านอกเขตกำแพงเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลเก็บมวยผมผูกปมกลัดแล้วรัดเกล้าแม่พริมเพลาก็ดูคมสมราศีทรงชุดขาวอย่างยิงงามพรามณีแทบบาดพระ ชนนีบังคมลาขบวนคล้อยทิดาน้อยก็ไกลลับดาวประดับเดือนหงายในเวหาถึงเดือนเพนเย็นใจให้กลับมาเข้าพิธีวิวาอย่าคืนคำ ห้องบรรทมขององค์ราชาและราชินีพระนครสาวัตถีลูกเราปลอมตัวเป็นสามัญชนเข้าไปป่า ป, าปนในขบวนทมเพคะองค์ราชินีตรัสตอบเสียงแผ่วประทับนั่งไม่ห่างออกไปนักจึงลุกขึ้นมาประคององค์ราชาและสนองพระโอษฐ์อยู่ ใ, ใกล้ๆไปกับผู้ใด หม่อมฉันสั่งให้ราช อ, องครักษ์ปลอมตัวออกติดตามไปสิบสองนายส่วนในขบวนก็มีเหล่าอุบาสกอุบาสิกาในวิหารบุพารามร่วมเดินทางพคะออกไปแต่เช้ามืดลูกเหตุใดพวกมาบอกเราตอนพรบค่อมลูกประสงค์เช่นนั้นเพคะหากบอกเสด็จพี่เวลานั้นเกรงว่าจะไม่ได้ร่วมขบวนองค์ราชาขบพระทนนั่งนิง่งมิตรัสอันใด องค์ราชินีก็ก้มพระพักและกุมพระหัตย์อย่างวิตกกังวลห้องบรรทมเงียบสนิทประหนึ่งว่าไม่เคยมีสรรพเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาอยู่ชั่วครู่อง์ราชาจึงถอนหายใจแล้วส่งป่ารบเฮ้ยเจ้าก็ตามใจลูกซะจนเคยตัวหม่อมฉันสงสารลูกเพคะ อีงไม่กี่เดือนก็ต้องถูกจับแต่งงานกับผู้ใดก็ไม่รู้ปล่อยให้เธอได้เที่ยวเล่นบ้างถึงเวลาเราค่อยไปรับกลับก็ได้องค์ราชินีกรั้นพระไทยตรัสประโยคสุดท้ายอย่างเต็มพระทัยจะรับความผิดการตัดสินใจทั้งหมดเป็นความคิดของหม่อมฉันเองเพีคะขอพระองค์อย่าได้ถือโทษลูกจันทราบตีเลยแทนที่จะเป็นการลงอาญาหากแต่อง์ราชา ทรงสนองตอบตรงกันข้ามด้วยการโอบพระหัต์ประคององค์ราชนีไว้แล้วสวนเบาๆผู้ใดจะลงโทษลูกเมยียของตัวเองได้ลงคอเรื่องที่น้องบอกมาร้ายแรงนะักแต่เรื่องที่พี่ได้รับจากอมร์เมื่อครู่ร้ายแรงกว่าหลายเท่าเรื่องอนใรเพคะลองอ่านราชสารฉบับนี้ดูสิองค์ราชา เสด็จลุกขึ้นไปหยิบราชสารเหนือแท่นบนรรทมขึ้นมากลางออกเผยให้เห็นอัคระลงนามพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคตเนื้อความนั้นระบุ ค, คำขออภัยโทษอย่างสูงสุดในการขอเลื่อนพิธีอภิเษกสมรสระหว่างองค์ราชธายาทแห่งนครราชครึกและราชธิดาแห่งสาวัถีไปอีกเจ็ดเดือนถัดไปเนื่องด้วยองเทวินวรรมา จะเสด็จไปเป็นองค์อุปถรัรมภ์ในการสังคยานาร่วมกับพระราชบิดาจึงไม่อาจกลับมาเข้าร่วมพิธีอภิเศกสมรสได้ตามกำหนดปิดท้ายด้วยคำถวายพระพรและอวยชัยพอเป็นพิธีองค์ราชินีอ่านจบแล้วอุทานแววท่อทำไมพระองค์เพิ่งบอกหม่อมฉันก็เช่นดังเจ้าที่เก็บเรื่องลูกเงียบไม่ยอมบอกพี่แต่เนิ่นเนน หม่อมเชนจะให้ทหารไปตามลูกกลับด้วยอำนาจแห่ององค์ราชาเราไม่อนุญาตเหตุใดเล่าเพคะในเมื่อลูกตัดสินใจแล้วก็ให้เธอออกไปเรียนรู้ด้วยตนเองเถอะบางทีอาจได้รับบทเรียนแล้วกลับมาประพฤติตัวดีขึ้นบ้างองค์ราชินีทรงคัดค้านกี่คำองค์ราชาก็ได้แต่สวนเรียบตรัดกระเซ้าเย้าแย่พระมเหสี เคื่นเฉยยไปเรื่องอื่นคล้ายกับว่ามีได้กังวลพระไทยถึงทิดาองค์น้อยกับเหตุการณ์วุ่นวายที่กำลังจะเกิดตามมาเลยแม้แต่นิด